พระธรรมเทศนาแผนที่หนึ่งลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21พฤษภาคม2560นมีชื่อเรื่องว่าทําบุญกับโรงพยาบาลต่อนี่อไปตั้งใจสมาทานศีลถือว่าวันนี้เป็นศีล กรณีพิเศษส่วนหนึ่งคือเราจะร่วมกันสร้างรวบรวมจิตุปัจจัยเพื่อสร้างอาค า, ารโรงพยาบาลอําเภอสังคมที่ยังมีปัญหายังจิตตุปัจจัยจยังขาดอยู่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันมาเอาปัจจัยเพื่อจะร่วมสมทบ ให้อาคารหลังนี้สาเร็จรุล่วงไปด้วยดีเพื่อความผาสุกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชุมชนในละแวกนี้หรือว่าทั่วโลกนะคำว่าทั่วโลกคำนี้ใครก็ฝรังชาติไหนใครก็ตามมาเจ็บไข้ได้ป่วยมาในเขตอำเภอสังคมเขาก็ต้องเอามาที่โรงพยาบาลอำเภอสังคม อำเภอสังคมก็จะต้องดูแ ล, แลรักษาเป็นอันดับเป็นอันดับแรกเป็นด่านแรกนะเพราะนั้นจึงมีประโยชน์ต่อคนทั่วโลกไม่พูดอย่างนั้นไม่น่าผิดนะเพราะนั้นพวกเราไดมาร่วมมาร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์ในวันนี้ก่อนที่พวกเราจะถวายผ้า ป, ป่าสามัคคีในวันนี้พวกเราก็ไหว้พระและก็สมาทานศีลชำระกายวาจาให้เรียบร้อยให้สะอาดซะก่อน คำว่าสะอาดคำนี้ก็มีคนถามหลวงพ่อจะทำกายวาจาให้สะอาดทำยังไงกายากายวาจาสะอาดก็ไม่ใช่ไปอาบน้ำนะลูกหลานนะคล้ายๆว่าประพฤตตนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีแต่ว่าศฉนนี่ก็คือทำดีพูดดีแต่ว่าใจนะต้องคิดดีซะก่อนละจึงจึงจะจึงจะทำดีและพูดดีได้นะ ถ้าหาวัวใจของเราคิดไม่ดีเวลากระทําออกไปมันก็ต้องไม่ดีเวลาพูดออกไปก็ต้องไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจึงทําใจซะก่อนเป็นอันดับแรกนะมาสร้างบุญสร้างกุศลคือชําระกายก็คือเราไม่คิดค่าขัดไม่คิดค่ากันไม่คิดค่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไม่คิดค่านะเนี่เรามานั่งอยู่ที่นี่นะแปลว่าเราไม่คิดค่านะถึงจะมดเป็นยุงก็ตามเราจะไม่ไม่คิดค่านะ เราก็ไม่คิดขโมยเราก็ไม่คิดละลาบลาล่วงในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาที่ผิดประเวณีผิดศีลธรรมเราจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเคอเราจะไม่โกเราจะไม่ผิดประเวณีในสามีภรรยาของคนอื่นเขาเราจะไม่กินเหล้าอันนี้แปลว่า แปลว่ากายทำวมกายนะทำกายให้สะอาดแล้วเนี่ยนะข้อที่หนึ่งไม่คิดฆ่าข้อที่สองไม่คิดขโมยข้อที่สเขารบสิทธิ์ภรรยาสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นข้อที่สี่ไม่ดื่มสุราเนี่แหละอันนี้แปลว่าสํารับ ก, กายให้เรียบร้อยสํารับวาจาละ่ะไม่พูดเท็จไม่พูดส so ่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูด หาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่ยุโยงส่งให้คนอื่นแตกกันสามารถแตกสามารถขี่กันอันนี้แปลว่าสำระใจนะสรุปแล้วก็คือคิดดีทดําดีพูดดีนะทำดีพูดดีนะีน่แหละชำละแปลว่าชําระกายวาจาให้เรียบร้อยหนะ่ทดทําดีพูดดีนะเพราะฉะนั้นพวกเรากําลังจะทําดีพูดดีในขณะนี้นะเมื่อเราทําดีพูดดีแล้วนะ บุญกุศลที่พวกเราจะถวายทานในขั้นตอนต่อไปบุญกุศลก็จะไหลทลักเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพราะพวกเราทำดีพูดดีนะและก็คิดดีอีกต่างหากเพราะนั้นบุญกุศลจะเต็มเปี่ยมด้วยใจของเราใจของเราจะเป็นคลังของบุญหลั่งไหลเข้าไปแต่เราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วใจของเราก็เป็นคลังของบาปเหมือนกันนะลูกหลานนะ รับความชั่วเข้าสู่จิตใจมีแต่ความเดืดร้อนวุ่นวายถ้ า, าว่าจิตใจของเราคิดชั่วนะถ้าเราจิตใจของเราคิดดีนะทำออกไปก็ดีพูดออกไปก็ดีสิ่งที่มันดีหลายทะลักเข้ามาสู่จิตใจของเราเราก็จะมีแต่ความพร่มเย็นผาสุขทําอะไรออกไปก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความอยู่เย็นเป็นจุกตลอดจนถึงพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร นี่แหละหลักธรรมคำสอนแล้ก็ บ, บุญกุศลที่เข้ามาสู่จิตใจเป็นอย่างนันนสัทธาญาโจมเอาต่อในไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเเลนนเนผูติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยนะหู เอาตอนนี้ไปลูกหลานผู้ใดถ่ายลูกที่มีแฝด ต, ต้องหยุดซะก่อนนะมันเข้าตาหลวงพ่อนะ่ะถึงหลวงพ่อจะหลับตามก็ยังเลื่อมตาอยู่เออวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันที่เป็นอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยีสิบเอ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบวันนี้พวกเราได้มาร่วมมารวมกัน พอดผ้าป่าสามัคคีนะที่โรงพยาบาลอำเภอสังคมแต่หลวงพ่อได้ดูดูรู้ยอดเข้าๆนะแต่เมื่อหลวงพ่อพูดจบแล้วหลวงพ่อก็คงจะาได้รับยอดขึ้นมาอีกแต่เดี๋ยวนี้ที่ยอดเข้าๆเนี่ที่ที่รวบรวมไปแล้วนะเป็นเงิน8ล้านกว่าบาทนะ ล, ลูกหลานนะ แ, แต่ยังไม่นิ่งนะ เดี๋ยวหลวงพ่อพูดจบแล้วคงหลวงพ่อคงจะประกาศให้ทราบอีกอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้หลวงพ่อเองกออ็รู้สึกว่าอบอุ่นจากน้ําใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้มาร่วมมารวมกันเห็นประโยชน์สาธารณะประโยชน์เพราะโรงพยาบาลเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วไม่เป็นประโยชน์ของผู้ผหนึ่งผู้ใดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน คนทั่วโลกเลยอย่างที่หลวพ่อได้พูดได้กล่าวโอ้ทําไมตลวงพ่อคนทั่วโลกเอา้เอาฝรั่งจู่ ม, มุมโลกไหนก็ตามาหรือท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามาเจ็บไข้ได้ป่วยในละแวกนีเ้เขาก็จะต้องนําส่งโรงพยาบาลอำเภอสังคมอําเภอสังคมของเราก็จะต้องปรถมพยาบาลเป็นด่านแรกหรือรักษาไปจนตลอดอจนกว่าชีวิตของท่านผู้นั้นจะหาไหมเพราะว่า การเก็บไข้ได้ป่วยนะนี่แหละหลวงพ่อจึงบอกว่าโรงพยาบาลอำเภอสังคมม่ใช่ว่าเ ป, เป็นของพี่น้องออลูกหลานของอำเภอสังคมเท่านั้นเป็นสาธารณประโยชน์คนทั้งโลกเพราะนั้นพวกเราได้มาร่วมมารวมกันเสียสละทุนทะครับมากน้อย <S <S 2> <S 2> เพื่อให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมหลวงพ่อมั่นใจว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามเนืองรงพยาบาลการศึกษาของประเทศของคนในชาติถึงผมหลวงพ่อจะเป็นพระอยู่ในป่ารงพงภัยหลวงพ่อก็จะได้มองดูอย่างหลวงพ่อเล็กลุ่มกันสร้างโรงพยาบาลในเขตอำเภอสังคมไม่รู้กี่โรงเรียนหลวงพ่อเองก็นับนับมากที่เดียวที่ให้อาคารเรียนเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อบอกว่าอันดับแรก เด็กโรคหลานเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเด็กของเราคนของเราคนในชาติของเราโง่เง่ า, งาเตา่าตุ่นเพราะเพราะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรอันนี้อันดับแรกหลวงพ่อจึงเน้นไปทางโรงเรียนโรงเรียนไหนไหนไปดูแล้ว ส, สมุดชุดสมถ้าครูพกพระครูเลือชาวบ้านเข้ามาขอหลวงพ่อก็ให้ความใส่ใจสนใจ ไปสร้างอาคารเรียนให้กับเขาเพราะเขาจะได้ลูกหลานทั้งหลายจะได้รับการศึกษาครูบาอาจารย์มีกําลังใจและกับชาวบ้านก็อบอุ่นเพราะโรงเรียนเขาดีเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามการศึกษาของลูกของหลานแต่กับพร้อมกันถึงจะพวกเราจะมั่งมีสีสุขร่ารวยความรู้สูงฉลาดฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างบรรลุ นี่แหละดโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินนั้นหลวงพ่อได้ไปตั้งมูลนิธิตั้งชื่อว่ามูลนิธิขออภิบาลสงหลวงปู่มั่นโฆริทัตโตหลวงพ่อได้เป็นประธานมูลนิธิมาเนี่เป็นศสมัยที่สและคณะทาญาิโยมคือปีครั้งละสามครั้งละสี่ปีนะ เป็นสมัยครั้งที่สามแล้วนะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้สมัครใจเป็นเป็นครั้งแรกก็เป็นเพียงเพื่อคัดตาทับนะแต่ต่อมาแล้เขาเห็นว่าหลวงพ่อเป็นผู้ใส่ใจสนใจให้การดูแลพระสงฆ์เขาก็เลยให้เป็นอีกหลวงพ่อก็เออเอาเห็นว่าเป็นประโยชน์หลวงพ่อก็คงจะรับสมัยที่สามแล้วคงจะถอยอีกเหมือนกันนะไม่ไเพราะว่าหลวงพ่ออายุ72ปีแล้วนะักศรัทธาญาติโยม คงจะถอยถอยเรื่องสาธารณประโยชน์แต่ถึงยังไงก็ไม่ได้มองไม่ได้เทงเพราะเห็นว่าประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองพระสงฆ์นะนี่ก็เนี่ยแหละโรงพยาบาลศูนย์อุราก็เหมือนกันหลวงพ่อก็เป็นประธานเขาประธานมูลนิธิอีกเหมือนกันที่โรงพยาบาลศูนย์อุราเพื่อเพื่อสงอาพาธนะและก็พร้อมกันไม่ใช่แต่สงอาพาธเท่านั้น เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์ของโรงพยาบาลรถพยาบาลไม่รู้กี่คันเหมือนกันนะและก็เครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลก็ไม่รู้กี่เครื่องแต่ขณะนี้นะที่โรงพยาบาลขอนแก่นเขาก็มาขอหลวงพ่อขอเครื่องทำตาตาพวกเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นตานะอันนี้เขาก็กว่าวเครื่องเขาใช้มาสิบปีแล้วหลวงพ่อ เพราะเครื่องมือตัวนี้มีความจำเป็นสำคัญเพราะเบาหวานนะถ้าหากว่าเครื่องมือไม่ดีทำให้ตาบอดได้ง่ายหลวงพ่อเออมันเป็นประโยชน์แต่หลวงพ่อมาดูกระเป๋าตนเองี่กระเป๋าวัดนะ เ, ออเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยดูเออเอาน่าจะเป็นไปได้ราคากันสองล้านออราคาที่แรกเขาตีราคาสามล้านนะออแต่หลวงพ่อให้ต่อรองลงมาเพราะหลวงพ่อจนใช่ไหมละ่ะ ต, ต่อจากบริษัทของเขา เขาก็ลดลงมาให้สองล้านหกแสนนะเขาเรียกสาล้านนะแต่ถ้าว่าทางรัฐบาลซื้อก็คงจะูสามล้านนั่นแหละตอนนี้หลวงพ่อซื้อนะเป็นพระป่าพระโรงยากจนนะแต่ก็อยากจะได้ให้เครื่องมือแพทย์กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนั้งลูกหลานนะนี่แหละเขาเอาเครื่องมือเข้ามาแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือตัว น, นั้นกําลังใช้งานอยู่หลวงพ่อให้ใช้งานเท่าก่อนนะเป็นที่พอใจของ เอาของแพทย์ซะก่อนในเมื่อเป็นที่พอใจแล้วยังค่อยเอาเอกสารมาเพราะเอกสารมากับผู้ขายมากับคณะแพทย์มาหลวงพ่อก็จะโอนปัใจจัยให้เขานี่แหละอันนี้กับหลวงพ่อก็ยังเป็นนี่อยู่นะอันนี้ก็คือจวดหนึ่งเล่าเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเพราะหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามโรงพยาบาลโรงเรียนและก็อย่างอื่นอีกหลวงพ่อให้ทางว่าหลวงพ่อบรรยาย ในการช่วยเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็คงจะมากพอสมควร เ, เพดัะนั้นจึงเล่าให้ฟังแต่เฉพาะใกล้ๆให้พวกลูกหลานณะสัทาธาตาิโยมได้ฟังอันนี้คือให้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมแต่พร้อมการหลงพ่อเองก็ไม่ได้ม อ, องข้ามในการให้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีของให้กับพี่น้องประชาชนสัตาายาติโยม ไปที่ไหนหลวงพว่อเออเอ า, เอาแจก m อ3าบ้างแจกหนังสือบ้างแต่ว่าการแจกหนังสือ MP3 ก็ตามแต่บางครั้งหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันในหะ้ศรัทธาญาติโยมบางทีศรัทธาญาติโยมได้ไปล้วก็ทิ้งๆิงห่า ง, งขงวางอาจจะมีแต่บางคนก็เอาไปแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างไม่นานมานี้นะที่หลวงพ่อพูดอย่างวันนี้แหละพระก็เอาไปล ง, เ อ, ปลงเอาไปลงเฟสโลก ง, งอินเทอร์เน็ตลลวงยูทูนะ มันกดดังไปทั่วโลกอีกเหมือนกันนะเมื่อกี้นะี่กัชาวอังกฤษเนี่ยนะเขาก็ส่งหนังสือมาบอกว่าได้ฟังเทศของหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดต่างกล่าต่างวาระ เ, เป็นที่พอใจเข้าใจในพุ ท, พพทธศาสนาในเข้าใจในการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันการอยู่เป็นอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสามารีการรักเมตตากันในหลักธรรมคำสอนของพุทธนะในฉันฟังแล้วเข้าใจ นี่แหละเพียงแค่นี้เองหลวงพ่อก็เป็นที่พอใจเพราะว่าทัดทายญาติโยมลูกหลานที่ได้อยู่ทุกมุมโลกเพราะทุกวันในโลกมันแคบนะโลกมันแคบพอพูดออกไปนี่ก็ได้ยินทั้งดีทั้งชั่วนะลูกหลานนะถ้าว่าใครทําความชั่วเนี่ยความชั่วก็ดังไปเร็วเหมือนกันถ้าใครทําความดีความดีก็ดังเร็วเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีอย่างวันนี้ละ พวกเราได้มาร่วมมารวมกันอําเภอสังคมหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้นี่แหละกิจัพต์ตัวนี้ก็ดังระบือไปทั่วโลกอีกเหมือนกันเพราะพวกเรามีน้ำใจเพราะขณะนี้นะหลวงพ่อก็อ่านอ่านตัวแรกแล้วนะขนาดเศรษฐกิจอย่างนี้นะบ้านเมืองของเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยของเราแห่งเดียว อ๋อได้เงินทั้ง8ล้านนะออขอรู้สึกว่าเป็นที่พอใจออแต่ว่าถ้าคำว่าโรงพยาบาลสังคมเมื่อทําไปแล้วนะยังมีปัญหาเองขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายเงี่ยงหูฟังนะเดี๋ยวหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองจะเป็นผู้สนับสนุนนะแต่หลวงพ่อเล็กกับหลวงพ่อจันมีจะเป็นหัวหอกนะเป็นผู้นำนะหลวงพ่อจะเป็นผู้สนับส น, นุนให้กับโรงพยาบาลแนละให้เครื่องมือแพทย์ให้พวกเราคอยฟัง ถ้าพวกเราคอยฟังแล้วคงจะมีการทอดผ้าป่าสาม ก, กีอีกอสัก2หรือสครั้งที่ว่าโรงพยาบาลของเราถ้าได้อย่างนี้นะถ้าได้อย่างวันนี้แหละต่อทอดสักสองสามสี่ครั้งก็น่าจะเพียงพอนะ เ, อเพราะฉะนั้นขอให้ท่ทานผู้ใหก็าตามนะที่ยินเสียงรองพ่อยอยู่ในกรุงเทพเ อ, อเราเห็นว่าโรงพยาบาลเขายังขาดเหลือขาดตกอยู่เรื่องจะตุกปัจจัยก็ขอให้โอนเข้ามา ถามมาทางโรงพยาบาลอาเภอสังคมพอออำเภอสังคมหรือท่านหลวงหลวงพ่อเล็กก็ได้หลวงพ่อจันมีก็ได้ออโอนเข้ามากับให้ท่านเป็นผู้รับรับทรบาบแล้วก็จะได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ธำหรับโรงพยาบาลหลวงพ่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนต่อลูกหลานของท่านเองเออบางทีพวกตัวของท่านเองนะมาเที่ยว ในละแวกนี้บางทีออกมาชมพระภูก้อนบังมาดูผาตากเสื้อบ้างมากราบเจดีหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่เทศมาเจ็บไข้ได้ป่วยในละแวกนี้นะพวกเราก็จะได้มาอาศัยหรือว่ามาเข้ามารับบริการโรงพยาบาลอำเภอสังขมของพวกเราเพราะนั้นอำเภอรโรงพยาบาลเป็นของพี่น้องประชาชนเป็นของพวกเราทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วนะ เพะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันถวายในคราวนี้ครั้งนี้ขอให้เป็นพลังเพื่อกูลหนุนพวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดคําว่าตกทุกข์ได้ยากอย่าได้มีให้มีแต่ความเจริญให้มีแต่ความผาสุขสุขกายสุขใจแล้วก็พวกเราเปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมนะ เขขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทินแต่หลวงพ่อเองนะที่ประกาศนี่นะหลวงพ่อเองถ้าจะว่านหนักไหมหลวงพ่อก็ น, นักจูคือว่านหนักคำนี้ก็คืออะไรนะคือหนักคำนี้นะก็คือหลวงพ่อรับสร้างเจดีย์รับคือองค์เจดีย์หลวงตามหาบวัวที่วัดป่าบัานตาดหลวงพ่อโทดต่ อ, อ, อหน้า ผู้ว่าราชาการจังหวัดานกกำนันวันนั้นมีพระองค์ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงประทับอยู่ด้วยหลวงพ่อว่ากลุ่มของหลวงพ่ออินถวายในยวัดปานนาคำน้อยเนี่ยหลวงพ่อจะรับสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบัวห50ล้านบาทเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเออจะทำสิ่งไหนก็ตามใจก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะจุดนั้นมันมันมั น, ม น, มนยังมีอยู่หลวงพ่อจะต้องหาจุปัจจัย ให้ส่วนนั้นแต่เอาเถอะในวันนี้นะหลวงพ่อมาเห็นโรงพยาบาลอำเภอสังคมแล้วแต่หลวงลวงวันนี้หลวงพ่อไม่มีตังค์นะแต่หลวงพ่อจะพูดกับหลวงพ่อเล็กนะหลวงพ่อประวรณาไว้นะจะโอนเข้ามาจํานวนเงิน1ล้านบาทวันนี้นะ <Yeah. S 1> จะช่วยหลวงพ่อเล็ก1ล้านบาทในคราวนี้ครั้งนี้นะรวมแล้วจดบันทึกไว้เลยนะเป็นเก้าล้านเก้าแสน ตามไม่จริง90้าแสเอาเอาอีกสักแสนหนึ่งก็ได้นะฮะเป็นสิล้านจะก็ดีไหมเนี่ยนี่นี่แหละคณะศรัทธาญาติโยมพอประกาศออกไปแล้วยังขาดอยู่นะเอ่ยยังขาดอยู่ต้องมีผู้มีศรัทธาร่วมสมทบอีกเอ่อบอกว่าถึงยังไงจะสมทบให้ถึง10บล้านบาทนะอนุโมทนาเลยสล้านบาทวันนี้เนี่ยสิบล้านกว่าบาทหน่อยๆนะ นะคุณสมานคู่นากรไพยบูรศิริเอออันนี้ก็บอกว่าจะสมทบให้รวมกันจะให้ถึงสิบล้านนะเอาอีกสักล้านหนึ่งก็ได้เ่ยแ้านห้าแอด้าเอาละพอนะศิรินะเอออดิศส่วนกุศลนนะพวกเราสทาญาติโยมลูกหลานหาโอกาสจะนิหาได้ยากได้มาร่วมมาร่วมกันทำบุญสร้าง โรงพยาบาลสาธารณะประโยชน์แก่ของคนทั่วโลกอย่างเกมุวของหลวงพ่งพอได้พูดได้กล่าวเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและพรเน้อนนะ